ก็ดีภาษาลวกก็ดีท่านสั่งสอนท่านเป็นุริษะธรรมสาระสิสถาเทวมนุษสาหนังพระองค์ทรงฝึกบุรุษก็หมายถึงพระองค์มหาบุรุษทรงสั่งสอนพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่ ง, งทุกอย่างแล้วจึงได้ให้การอบรมสั่งสอนมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเรา เราอย่างมากก็สอนเฉพาะพวกคนด้วยกันก็ยังไม่หวานไม่ไหวเพราะพระเจ้ายังสอนพวกเทบุตรเทวดาที่มนุษย์ตั้งหลายไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยการเนืนะ้อนั่นเลยซึ่งมันไม่ใช่ในิสัยของมนุษย์พระอง์ก็สามารถสั่งสอนได้ศรัทธาเทวมนุษย์สานมันทรงฝึกพระองค์เรียบร้อยแล้วมัมีความสามารถ สอนคนก็สอนคนมีความสามารถสอนถึงขนาดเทวบุตรเทวดาอินพรหมพ่อองค์ก็สอนเราก็เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการสั่งสอนตนแล้วจะมีความสามารถสั่งสอนผู้อื่นผู้ใดอีกตามนิสัยวาสนากําลังความสามารถของตนก็สอนได้เป็นลําดับลาดาไปตามกําลังของตนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสาวกก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระพุทธเจ้าและทําหน้าที่ ตนโดยเฉพาะงานของตนยีบเร่งขนขวายทำไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ที่ไหนทาแต่งานพระสาวกในขั้งพุทธการงานคืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะงานหรืออภพรื้อชาติหรือวัตะสงสารความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นสาเหตุมาจากอาวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นพระองค์ทรงชี้วิธีการให้ซึ่งไม่มีโลกใดคนใดสามารถที่จะชี้แนวทางแก้กิเลส ที่เห็นมาเป็นค่าสึกเพราะโลกทั้งหลายไ ม, ไม่ได้มีความสะดุดใจเลยว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่ภาษษยในจิตใจนั้นคือกิเลสท่านในชื่อกิเลสว่าเป็นภัยแก่ตนจึงไม่มีใครสะดุดใจแต่พระองค์ทรงทราบทรงค้นจนพบตัวภัยที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์จึงถอดถอนออก หมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือเลยก็คือวันเพ็ญเดือน 6, 6อยู่ปาตรงกับวันจัสจรูญนั่นแหละทรงชนทรงค้นพบสิ่งที่เป็นค่าสิบและรื้อถอนออกจนหมดจากพระไทยกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์สุวนธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่โลกไหนโลกใดมานานขนาดไหนไม่มีสิ่งใดจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้ พระจิตของพระองค์สามารถสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ได้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายแม้ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสูงสุดวิมุติพนิพพานทำเป็นคู่ควรกันกับใจเท่านั้นใจเป็นคู่ควรกันกับธรรมเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคู่ควรกับธรรมได้ยิ่งกว่าใจเพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์เรื่องาศาสนธรรมหรือธรรมแท้ อีกพระองค์ทรงสแสดงออกมาพอเพียงเป็นกิริยาแปดหมื่นธรรมขันธ์นี้เรียว่ากิริยาเราไม่สามารถที่จะค้นพบได้ด้วยความการตรวจจำจะเรียนมามากมาน้อยเพียงไรก็ได้แต่ชื่อของกิเลสทัณหาอาสวะประเภทต่างๆและชื่ออัดชื่อทำชื่อมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อของมันไม่แต่ตัวของมันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันกับเรารู้รู้ชื่อจําชื่อได้พวกเสือร้ายต่างๆที่มัน ก่อความไม่สงบและทําความเสียหายแก่ประชาชนสังคม ต, ต่างๆจําชื่อมันได้เท่าไรก็ตามแม้เพียงแต่จําชื่อเท่านั้นแม้จะจําโคดจําแท้มันได้มาไว้ในแฟ้มหนาได้เป็นปึกๆก็ตามก็พวกเสือร้ายเหล่านั้นแหละเป็นผู้ทําลายความเสียหายแก่สังคม ต, ต่างๆต่อเมื่อได้มีภาคปฏิบัติจากตัวมันได้ แล้วนั่นแหละเสือร้ายเหล่านั้นจึงจะหมดลิ์หมดเดชไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้อื่นผู้ใดได้ไดมีกิเลสเราจำได้แต่ชื่ อ, อความโลภ ก, ก็ดีความโรกรธก็ดีความหลงก็ดีจำได้จนปากฉีก็าตา ม, มเรียนจบพระไกรปิฎกมาก็มีแต่เอาชื่อมาอวดกันไม่ได้เอาตัวกิเลสที่ฆ่ามันตายแล้วมาอวดกันเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าตายแล้วนำมา ปรกาศสอโลกจะว่าอวดหรือท่าทายก็ได้นี่ความจริงเห็นไหมท่านทั้งหลายหรือพวกเธอทั้งหลายหูหนวกตาบอดอยู่เลยจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นค่าศืกต่อจิตใจไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทุกขณะที่แสดงออกเรื่ตั้งแต่เรื่องที่เหลียบเหยียบย่าทำลายภายในจิตใจไม่ได้มองดูบ้างเหเรือเดี๋ยวความโลภแสดงออกมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเดี๋ยวความโกรธความทุ้งเฉียวความไม่พอใจแสดงตัวออกมาก็เหยียบย่าจิตใจโมหะความยุ่งหลงงมงายรู้ดีรู้ชั่ว ต่างๆลืมเนื้อลืมตัวแสดงออกมาแต่ละแต่ละอย่างแล้วอย่างก็มาเหยียบย่ําทำลายหัวใจให้รับความเดือดร้อนอความนักความกําหนัดยินดีเกิดขึ้นมาออกมาก็มาเหยียบหัวใจนั้นให้บอบช้าอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวมีแต่เรื่องของกิเลสออกเหยียบยําทำลายจิตใจดังนั้นเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้มีอยู่กับหัวใจทุกคนแต่ทําไม พระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้ตลอดถึงการรื้อถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นนะพระองค่าคิเลยค่าค่าสุดให้ตายพินาศพิหายจากพระไทยแล้วอยู่สบายจากนั้นก็นำวิธีการนี้ออกสอนโลกให้รู้เรื่องรู้ราวว่ารู้หมายเวลานี้ค่าสุกเต็มหัวใจทุกทกท่านบรรณาศาสตร์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เก็บตายนี้เป็นสาเหตุมาจากไหนพวกท่านทั้งหลายรู้แล้วย่งเหมือนอย่าง ถามประกาศถามอย่างนั้นเองซักกันอย่างนั้นมันอันนี้มันอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายรู้ไหมมันเหยียบย่ทำทาลายอยู่ในหัวใจทุกทุกขณจิจที่เคลื่อนไหวออกมาภาคกันทราบแล้วยังอันนี้คือตัวข่าสึกอย่าเพลิดเพลินอย่าลุ่มหลงกับมันจนเกินเหตเกินผลฉ น, นั้นกโยกขึ้นเป็นภาสีเพียงเป็นสักิพยานต่อการว่าโกนุห้าโซจิ ม, มานันโดนิจังปัชไช เ, เตสติอันทกา้เดนะโอนาธาปฏิบังนักเวสถะ เมโลโรคฐานนิวาสนี้มีความรุ่มร้อนเทาลนอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งราคะตัณฑิเลสตัณหาอสวกประเภทต่างๆอย่า้ย่ำทำลายจิตใจอยู่ทำไมพวกท่านตั้งหลายจึงเพลิดเพลินรื่นเริงกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเหมือนกับโลกนี้ไม่มีปา่าช้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมืดตามําขาวอยู่ยังไงหัวใจมีความรู้มีทําไมไม่คิดไม่อ่านาติีปัญญามีทําไมไม่คิดเหมือนนั้นแล้วเมื่อใดก ทั้งหลายจะสะท่านทั้งหลายจะเสา ะ, ะแสวงหาที่พึ่งเมื่อโลกนิวาทมันบุ้นวายกันอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเจ้างครองหัอใจละหยียดย้ําสลายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ยังไม่เห็นโทษทั้งมันอยู่เลยถ้าเห็นโทษแล้ววิธีการที่จะนําออกรตถาคตกทิจยังไม่แล้วนี้ทราบแล้วยังเชื่อแล้วยังเชื่อตถาคตตถาคตฆ่ากิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆที่มันเป็นฆ่าถึกนี่ได้ตายชิพหายลงไปแล้วจากใจด้วยวิธีการหนังเนียงนี้มีมัชฌิมาปฏิปชาเป็นต้นน่น พระพจ้าทรงสแสดงนั่นท่านฆ่าตัวเสือร้ายได้แล้วก็ามาบอกวิธีการท่านเองก็อยู่เป็นสุขแล้วนำอุบายวิธีการไปสั่งสอนสัตว์โลกผู้ที่มีหูมีตาตื่นอกตื่นใจบ้างก็ใตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสที่เป็น้าสศึกอันใหญ่หลวงอยู่ภายใน จ, จิตใจมาตั้งกับตั้งกันนั่นให้สลาย ตายไปจากกิจใจกลายเป็นสังฆังสนาังข้าฉามีของพวกเราขึ้นมาท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าพระสาวกองค์ใดออกมาจากสักบุญพระราชามหากษัตรเจดีย์ผีกระดมผีพ่อค้าประชาชนกระทั่งถึงคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมาได้รับพระโอาวาสจากพระทีเจ้าแล้วถึงใจถึงใจถึงเรื่องทั้งทั้งทางโทษถึงใจทั้งทา ง, งคุณ เรื่องของทิเรียัญชาอาสวะพว่องค์ก็ชี้แจงให้เห็นอย่างชัดๆว่ามันฝังอยู่ที่หัวใจเหมือนหนามฝังจมอยู่ในพื้นเท้านั่นเองเ้าจะถอดก็ถอดไม่ถอดก็อยากจะทรมานอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันหาเงินตัวเงืินปายไม่ได้ก็เอาไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับผิดชอบรับความทุกข์ความทรมานจ า, จากความประมาทของตนนอกจากตัวเองเท่านั้นจ ะ, จะรับผลแห่งความประมาทของตนถ้าผู้ใดมีความไม่ประมาท จะพยายามแก้ไขที่ถอดถอนออกก็ถอดถอนได้ทําไมถอดถอนไม่ได้ตถาคตเป็นผู้หนึ่งแล้วถอดถอนมาเห็นเป็นตัวอย่างนี <ys> <üyor> ้เห็นไหมนั่นถ้าเป็นจริงที่เป็นพปไมนาด้ตถาคตก็เป็นตถาคตม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปไา้ตถาคตได้ทำหนูเรียบร้อยแล้ ว, ลวทั้งเหตุก็ถูกต้องดีงามทั้งผลก็เป็นที่พอใจท่านพวกท่านทั้งหลายเชื่อหรือยังเรือนี้เหมือนอย่างนั้นทําไมสาวกทั้งหลายจะไม่ถึงใจคนเราหาต้องจริงอยู่แล้ว ต้องรู้ของจริงเห็นของจริงปอาพืชปฏิบัติอย่างถึงใจมีความมุ่งมั่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันฟาดฟันหันแหลกกันลงไปเอาอดเป็นอดอิม่มเป็นอิม่มลูกศี่ตถาคตไม่ยอมตายด้วยความอดอิ่มเพียงตอนนี้จะยอมตายในการเข้าสงครามเท่านั้นสู้กับพิเดชเอาตายเป็นตายเหลือชีวิตเหลือมาให้คลองอดัดคองทำเป็นธรรมสมบัติขึ้นทันในใจิตใจในธรมคองหัวใจ โดเหตุ น, นี้สาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วด้วยดีจากพระองค์ยังเที่ยวบําเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามสถานที่ทต่างๆทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่สนใจกับเรื่องสตุปัจจัยทายทานทั้งสีจะมีมากมีน้อยที่อยู่ที่อาศัยเคื่งใช้ไม้สอยการโขดการฉันเป็นมายังไงทั้งๆที่ออกมาจากสกุลกษัตริย์ละเอียดอ่อนที่สุดก็มีแต่เวลาเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏเด่นในเพศทางพุทธศาสนาแล้ว บำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นอาตายเขาว่าผลที่ได้ก็องค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นี้สําเร็จพระสกิธาคาองค์นั้นสําเร็จพระนาคาองค์นี้สําเร็จพระอราหารันเลื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนจงกระทั่งบรรพุทธเจ้าปริพันก็ยังบรรลุตามหลังเรื่อยๆ เ, เพราะตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติสุปฏิปันโนอุชุญานะสามิกิปฏิปันโน คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแน่แน่ต่อมรรคผลนิพพานแน่แน่ต่ออัตตต่อธรรมปฏิบัติสมควรจะทําไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นที่เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทในบรรดาข้อปฏิบัติทั้งหลายนั่นแหละผลทั้งท่านที่ได้มาจึงล่ำลือมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พุทธทางสนังกระฉามไม่ล่ํำลือไม่กระเทือนหัวใจชาวพุทธเราจะกระเทือนหัวใจใครธรรมสนังกระฉามนี้เกิดขึ้นมาจากความรอดลม้มรอดตายของผู้บําเพ็ญทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทรง เป็นพระองค์แรกสังขังสรนังกระฉามิก็ได้โผล่ขึ้นมาเพราะความตะเกียกบตะกายของสาวกทั้งหลายที่เชื่ออาเชื่อธรรมพระเจ้าอย่างถึงใจนี่พวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกำรรจัดกิเลสเวลานี้เป็นการกำจัดกิเลสหรือมาสังสมกิเลสกันแน่ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยดีอย่ามาทำเล่นๆมันเป็นเรื่องการขายศาสนาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทั้งๆ ท, ที่ไม่มีเกยียรตน า, าแต่ความประมาทนั่นแหละคือตัวกิเลสที่ทำลายศาสนาทำลายตัวเองอยู่เวลานี้ จะเป็นอะไรไปเสียทําไม่ใช่นี่ธรรมะพุทธเจ้านั้นไม่มีแล้วที่จะสงสัยสมในานามแห่งธรรมที่ว่าสวัคฮาตโตวกะกวาตาธรมโมตราดไว้ชอบแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการไม่มีอะไรผิดเพีย้ยนบรรดาธรรมทั้งหลายนี่ควรแก่การแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดพันหันแหลกกิเลสให้แหลกทุกประเภทของกิเลสไม่มีเหลือได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าสวัคฮาธรรมชอบแล้วเครื่องมือประเภทนี้ชอบแล้วเครื่องมือนี้ ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้สําหรับฟาดฟันกิเลสประเภทนั้นให้คิบหายไปปวงไม่มีสิ่งเหลือชอบไปหมดนิยานนี้กระทาถ้าได้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคารธรรมแล้วทำนี้ต้องขนกิเลสออกจากกิด จ, จักใจจนไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อมีอำนาจมาต่อสู้ได้เลยไม่มีกิเลสตัวไหนมาอวดดีได้เลือกตั้งแต่ ใจพระไทยและใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างนั้นการบวชนี้เป็นเพศอันหนึ่งประกาศให้โลกได้ทราบพร้อมกับเป็นความรู้สึกตัวของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราบวชมาในศาสนานักบวชก็คือนักเสียสละนักบวชก็คือนักประกอบคุณงามความดีนักบวชก็คือผู้ไม่ประมาชนักบวชของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่กินแล้วนอนแล้วกอนแล้วนิน อยู่เฉยๆอยากทํำมาก็ทาไม่อยากทำก็มาทำอยากคุยอยากมั่วอยากสุมกันก็คุยกันไปมั่วสุมกันไปเอาการบ้านการเมืองเรื่องของกีเรียนทันหาเข้ามาสุมในหั ว, น ใ, นหวใจมันเป็นการอบรมธรรมะเข้าสู่ใจได้อย่างไงอย่างนั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นาศาสนาจึงถูกตำหนิติเตียนเพราะหัวนใจของผู้ปฏิบัติาศานะสะนาโศกปรกเรือสามเมื่อสิ่งใดที่เป็นของเรือสามอันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องโศกปลกไปด้วย เห่นอย่างอาหารควรจากการรับทานนี้แต่ถ้าตกจากมือลงไปสิ่งกู้ข้าวกันกับสิ่งโฉกกระบกโสกโกรกทั้งเสียอาหารประเภทนั้นก็เป็นหน้าเสีอิสเยียนไปไม่ควรจากการรับทานได้เลยนี่ธรรมะคําลังสอนของพระเจ้าเมื่อเข้ามาสิ่งทีต่ติดอยู่กับหัวใจที่ละมกจบเปล็ดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่นี่โลกเขาตําหนิ้ติเตี้ยนถ้าเน้นนึกศาสนาเป็นอย่างนั้นๆยมันก็ควรเพราะผู้นั้นทําให้เขาทาหนิ้ติเตียนตัวทําให้ตรงตามหลัก ทำหลักในของพระเจ้าถ้าพูดถึงหนึ่งความละเอียดอ่อนอะไรจะละเอียดอ่อนยิ่งกว่าศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วดังเดิมพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนทุกอย่างเป็นสิ่งละเอียดละออกมาจากความเป็นกษัตริย์แล้วเว่าเวลามาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเอาปฏิบัติอัตธรรมเพื่อบรรลุมรรุปนิพพานพระองค์ก็ทรงทำอย่างเอาจริงเอาจัง ปรากฏว่าสาลบถึงสามครั้งนัง่นทุกหรือไม่ทุกการมำเพนด้วยการต่อสู้กับกิเลสอะไรจะเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะแก้ยากยิก่งกว่ากิเลสฆ่ายากยิก่งกว่ากิเลส ช, ชำละชำระยากยิก่งกว่ากิเลสไม่มีด้วยเห็นนี้จึงต้องมีแบบมีฉบับไว้เสมอแปดหมื 8, 000, ่ิพัระธรมมขันธรรน์นี่แหละคือแบบฉบับวิธีการทั้งเครื่องมือทั้งอุบายวิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสประเภทใด พระองค์ทรง ส, งสอนไว้หมดอย่างละเอียดละออทีทุวนไม่มีอะไรที่จะแย้งได้เลยจึงเรียกว่าสบคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างขอให้ปฏิบัติโดยชอบทำตามที่สอนไว้แล้วนี้เถิดนิยานนิก็ทําการนําขนที่เด็ดออกจากจิตใจเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่ต้องสงสัยเหตุกับผลเป็นไปด้วยกันเราควรจะถึงใจผู้ปฏิบัติทั้งหลายยังบวชขึ้นมาทีแรกท่านสอนอจะเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อย เกซาโรมานัฆ่าทันตาตะโจนี่แม้ว่าจะไปบวชในวิช า, า, ายใดกรรมฐานห้าซึเป็นภาคปริยัติบอกสอนเบื้องต้นนี้ต้องมอบให้เสมอผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงพิจารณาไปถึงหนังแล้วครอบหมดในส่วนร่างกายนี้พิจารณาให้เห็นความเป็นของปฏิกูลโศโคกป่าชา้าผีดิบผีสุขอะไรอยู่นี้หมดไม่ทราบว่ากี่ซากกี่ศพที่มาเข้ามาบรรจุไว้ในตัวของเหล่านี้ อาหารการบริโภคไม่ออกมาจากเนื้อสัตว์ออกมาจากไรมันเต็มอยู่นี่หมดไม่ว่าผักมะยากกองกันอยู่นี่แหละมีปา่าท้าผีดิบผีสดมันอยู่ที่นี่พิจารณาเห็นความปฏิปุ่พิจารณาเห็นความอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพเพราะจิตท่องเรามันฝืนความกินอยู่เสมอถือว่าไม่สวยไม่งามมันก็ว่าสวยว่างามเศษสารตั้นยาวเองแต่อันนี้จังไม่เที่ยงมันก็ฝืนว่าเที่ยงมันฝืนเอาเพราะกิเลสกลับทำเป็นข้าศึกกันกิเลสต้องพาให้ฝืน การที่จิตใจของเรายังไม่ยังถึงความจริงแห่งทำได้ก็พเพราะกิเลสจีดขวางนั่นเองเห็นอันนี้ไม่งามมันก็บอกว่างามเสียนี่เราก็เชื่อไปตามกิเลสเสียเพ่อเคยเชื่อกิเลสมานานแล้วไม่เคยรู้สึกตัวเพ่อคิดทาพิษเลยนี่เมื่อเปลี่ยนนั่งก็ต้องยอมจํานวนต่อมันด้วยไปแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาพรอบหน้าฐางกิเลสบังคั บ, งบบังชาให้ทําให้คิดตลอดไม่มีเงื่อนต้นทุกข์มันไปเรื่อยมาเห็นได้จริงะเชื่อถือธรรมของพระพุทธเจ้ า, าอย่างง่ายดายอะ นีเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ทุ่มเทสติกำลังความท่าความเพียรลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเพราว่าเราไม่เชื่อตถาคตเราจะเชื่อใครการเชื่อกิเลตโลกสงสานที่เชื่อจิเลตมานานแล้วใครเป็นคนวิเศษวิโสบ้างเชื่อความโลภหนึ่งความโกรธหความหลงหนึ่งจนตายกับความโลภความโกรธความหลงเชื่อความรักความชังความเกบียดความโกรธหนึ่งเชื่อมาโดยลำดับลำดาใครได้รับความวิเศษเพราะการเชื่อกิเลตบ้างมีไหมถ้าเชื่อทำเป็นยังไงให้ล่าความโลภ ให้พยายามละความโกรธให้พยายามละความหลงให้พยายามละละละค่าตันหาซึ่งวนแล้วตั้งแต่สิ่งเป็นภัยเหมือนลูกสอนที่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลาระก็ทุกเกลียโดโกรธก็ทุกอะไรทุกทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วมันมีอะไรเป็นถุกมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนอกจากมเาเราเคเลือบด้วยน้ําตาลให้ร่อนิดหนึ่งเหมือนกับเขาเคลือบเยื่อล่อเบ็ดล่อปลานะ่ะยเคลือบเยื่อใส่ปลายเบ็ดแล้วก็ลออปลา ถ้ามีแต่เบด็ดต้นล้วนตามก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อล่อพอเหยื่อล่อแล้วก็ตากินแล้วก็ตวัดทีเดียวเสร็จไม่มีเหลือนี่ก็เหมือนกันกิเลฒมันล่อเรามาทั้งนานเท่าไหร่ไม่อไรเราจะเห็นโทษเห็นคุณพิสูจน์ท่านเห็นพิเลฒทั้งมวลภพชาติทั้งมวลไม่นอกไม่อยู่นอกเหนือไปจากหัวใจดวงเดียวนี้เลยอันนี้หรอกพระพุทธเ จ, จ้าท่านพิสูจน์ด้วยการปฏิบตัติพวกเราทั้งหลายพิสูจนด้วยการเรียนการตรวจการจำไม่เฉยมันเข้ากันไม่ได้ การเรียนก็จะ้แเรียนการตรวจการจารจได้แต่ตรวจ จ, จำถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเป็นภาคพิสูจน์แล้วจะไปเห็นความจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วในการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านผู้ที่เป็นอรหรันตอรหันพุทธังธรรมังสังละกฉามิด้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการพิสูจน์มาทั้งนั้นแล้วยื่นไปปรากฏเป็นแสนหน้ของพวกเราไม่งั้นพุทธังสัณละกฉามินี้เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมังก็หาทางเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อพุทธะผู้รู้นี้ไม่รู้ถึงธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร สังขังสานาังกาฉาณนีก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีแต่แต่ความจดความจำํำเฉยไม่มีภาพปฏิบัติแต่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติทางนั้นครั้งี่วรัตนองค์นั้นสําเร็จอยู่ในทางจำกรมทา่านเหล่านั้นสําเร็จอยู่ในท่านั่งอยู่ในเขาลูกนั้นถ้านั้นเนื่อมผานั้นตานั้นมีตั้งแต่อย่างนั้นทางนั้นมีแต่ภาพปฏิบัติยืนก็ดีเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตาม มีสติสตังตระมัดระวังรักษาตัวเสมอด้วยท่าความเพียรไม่ให้ขาดว่าขาดตอนสติติดแนบไปกับตัวกําหนดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ดีชั่วให้กําหนดรู้เท่าทันมันเสมอนั่นจึงเรียกว่าคนรักษาใจด้วยสติเป็นคนที่จะสะสารกิเลสออกจากใจเมื่อเรามีความเผลอไม่สนใจกบัฏกับธรรมจิตใจห่างเหินต่อจิตใจตัดอ่อนสติห่างเหินต่อจิตใจแต่ไปใกล้ชิดกับกิเลสนั่นแหละคือเวลากอบกลัวเอากิเลส เอาทุกขึ้นมาหาตัวเองเพราะการสนใจกับกิเลสใก้ขี้กิเลสนั้นเป็นการสร้างเหตุขึ้นมาแล้วเพื่อให้ผลคือความทุกข์เกิดคือความเดือดร้อนอเกิดขึ้นมาตในใจของตนแล้วมันกลมกันไหมกับสุปฏิบุญูชุญาญาสามิกิ่เราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราต่างคนต่างมาแก้กิเลสซึ่งเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจของตนตั้งดูที่หัวใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่นี่อเอาที่สูใจนี่เป็นยังไง ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเอาพิสูจนียังเรียนจำไม่เฉยนี่จบแปดหมื่นจพันธรรมขันก็มีแต่ใบลานเปล่าๆนั่นแหละหนังสือเปล่าๆกระดาษเปล่าๆถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าแล้วไม่มีทางที่จะพิสูจน์เห็นความจริงได้เลยให้พึงทราบว่าครูปุติเจ้าเป็นตัวอย่างอันดีสาววชิรหลายเป็นตัวอย่างอันดีได้พิสูจน์มาแล้วเป็นที่พอพระทัยยิงได้นําสิ่งที่ทรงพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสารโลกเช่นเดียวกับหมอที่เรียนวิชายา ตลอดถึงเรื่องอาการทุงคนไข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างและยาแต่และขนาดขนาด น, น, นี้ในพิสูจทดลองกันเรียบร้อยเป็นที่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนํามาช้าแก่คนไข้นี่พระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่พระเจ้าด้นเดาเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังคนเห็นเหตุเหตนผลน่าจึงมาสั่งสอนโลกเนี่ยเอาพิสูจน์ใจตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวทนำมานักท่องเที่ยวก็ได้แก่เกิดจากเจ็บตาย ตายที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นนไปเกิดที่นั่นมันมีสาเหตุมาอย่างไรเอาพ้นเข้าไปไม่พ้นไม่พ้นจากความขุดความพ้นในภาคปฏิบัตินี้จะต้องถึงความจริงเข้าไปโดยลําดับลาดับเอาเบื้องต้นมันเป็นยังไงจิตใจกับตัวเองได้เป็นอันเดียวกันหมดร่างกายทุกส่วนกับความรู้นี้ไม่ทราบมันเป็นอะไรเป็นใจอะไรเป็นร่างกายมันเป็นอันเดียวกันหมดเราจึงเมาส์เอาอยางสนิทใจว่า กายทั้งกิจนี้เป็นอันเดียวกันเนื้อเวลาร่างกายสลายลงไปแล้วจิตก็หายไปไม่มีเหลือเพราะมันเป็นส่วนประกอบกันเมื่อส่วนประกอบสลายไปก็ต้องสลายไปด้วยกันนี่เป็นความคาดความคิดของเราแต่เรื่องความจริงไม่เปลี่ยนเช่นนั้นเราจะทราบทางภาคปฏิบตัติเบื้องต้นไม่รู้เรื่องรู้ราอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความรักความชังความเบียดความโกรธยุ่งไปหมดเอาที่นี่เวลามีสติสตังพิพิพจารณาแยกแยกออกมาให้เห็น เอามันติดรูปหรือพิจารณาเรื่องรูปรูปอะไรค้นลงด้วยสติปัญญาจนกระทั่งรูปเท่าทันตามความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งเหล่านี้มีแต่สิ่งที่จะทำให้จิตใจติดพันทั้งนั้นแล้วการพิจารณาก็เพื่อจะถอดถอนความติดพันนั้นออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงจนกระทั่งเข้ามาสู่ภายในคือร่างกายของรอเราร่างกายนี้พิจารณาเข้าไปให้เห็น นี่ละภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ถ้าเห็นเรื่องของจิตร้นรวนมันเป็นอันเดียวกันกับกายหรือไม่มันมีอยู่5อาการหนึ่งรูปได้จก่ร่างกายทุกส่วน 2. เวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีทั้งมีได้ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจสสัญญาความจำได้หมายรู้ 4. สังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจ 5. วิญญาณความรับทราบเวลา อายุนาภายนอกคือรูปเสียงกินโนดเครื่องสมบัติเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์หรือกระทบกันกับอายุนาภายในได้แต่ตาหูจมูกริ้งกายก็ส่งเรื่องเข้าไปสู่จิตใจจิตใ จ, จก็เกิดว่าวุ่นขุนมัวพั น, พนในตัวเองขึ้นมาเพราะได้รับเรื่องมาจากภายนอกเป็นสื่อเป็นสายต่อกันเข้าไปหาจิตใจเมื่อเราพิจารณาแยกแยะในธาตุขันธ์นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันถ้าพูดถึงเรื่องอสุภอสุพันธ์ก็มีตั้งแต่กองปฏิกูลเต็มตัวของเราถ้าพูดถึงแยกออกเป็น ธาตุสีก็มีธาตุดินส่วนแั้งแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนน้ําที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็เป็นธาตุน้ําลมมีลมหายใจเป็นต้นก็เป็นธาตุลมไฟความอุ่นภา น, นร่างกายก็เรียกธาตุไฟเมื่อสีอย่างนี้มันสลายตึงไปแล้วมันจะเป็นอะไรพิจนามันเห็นตามความจริงในหลักธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนแล้วจิตก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วความยึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา มันก็หมดปัญหาไปเพราะความรู้แจ้งที่จริงแล้วย่อมปล่อยวางได้ไม่ว่าสิ่งใดถ้ารู้ชัดแล้วหาสงสัยไม่ได้นี่นี่เป็นส่วนหยางแห่งความยึดถือของร่างกายของของใจที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราจากนั้นก็เวทนาความสุขความทุกข์เฉยเฉยมีทั้งทางกาย แ, และทางจิตใจพิจารณาเข้าไปอีกถึงเรื่องอนิจจังทุกขงังตาซึ่งมีประจำอยู่กับของเหล่านี้มันเป็นจิตยิงไหมถึงเรื่างนี้เป็นจิตไหม หรือเป็นอะไรเมื่อค้นเข้าไปค้นเข้าไปก็เห็นเป็นอาการเข้าไปต่อสายยาเหยียดเข้าไปถึงกิจนี่มันเป็นสายยาเหยียดเข้ามาถึงกิจนี่แหละเป็นสายยาเหยียดที่ทําให้ยึดนั้นยึดนี่ไปเกิดในที่นั้นที่นี่เพราะอันนี้เองนี่เมื่อรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปพวกเวทนาพวกสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ต่อสายยาวยืดออกไปจากใจเมื่อพิจารณารู้ชัดแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาจากนกระทั่งถึงใจมาดับอยู่ที่ใจเวทนาก็มาดับอยู่ที่ใจมารู้เท่ากันอยู่ที่ใจ สัญญาก็มารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสังขารความปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นจากใจปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเรานั่งอยู่ยืนอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามทุกิยาบวชมันมีแต่เรื่องความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งไปหมดสัญญากับสังขารเป็นตัวสําคัญที่หลอกหลวงเจ้าของเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามเห็นมันมันก็สนุกหลอกเราตื่นเงาข้างเรานั่นแหละสัญญาก็ออกไปจากใจสังขารปรุงขึ้นไปออกไปจากใจแต่ใจของเราไม่มีสติไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันถึสิ่งนี้ ก็หลงไปตามนั้นทั้งวันทั้งคืนเล่นกับเงาของตนงันดีใจเสียใจเรื่องราวผ่านมาไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วพอรู้ได้ก็เอามาอุ่นขึ้นมาเผาตัวเองอยู่นั่นควสิ่งที่ดีใจก็ดีใจเป็นลมเป็นแรงไปงั้นอ่ะดีใจลมลมแรงแรงไปเสียใจลมแรงแรงไปทีนี้ความเสียใจมันเป็นมันเป็นความทุกข์จริงๆเราหารู้ไหม <laughs> วิญญาณความรับราบเวลาสิ่งมาสัมผัส รับทราบแล้วมันก็ไปดับอยู่ที่ใจนี่เรื่องของปัญญาพิจนาอย่างนี้นี่เราพูด ส, สรุปสรุปเข้ามานะเพื่อให้พอดีกับเวลาทะนี้เวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันกันโดยลํำดับด้วยอํานาจของสติปัญญาทงางภาพปฏิบัติแล้วรูปกายนี้ก็รู้เท่าทันปล่อยวางได้คําว่าอุปทานในกายไม่มีถอนตัวแล้วเพราะความรู้แจ้งจริงๆด้วยปัญญาเวทนาทั้งเวทนาของ ส่วนแรกที่แรกเวทนาทางกายซะก่อนรู้เท่าทันเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยปล่อยวางได้ที่สามเราเรียงลำดับเฉยเฉยนะั่นนี่ไม่ใช่มันจะไปค่อยละนั้นละนี้ไปเรื่อยเรืะเวลามันละที่แรกก็ละร่างกายก่อนจากนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมมันละอันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปพร้อมกันไปหมดเลยเพราะไม่เกี่ยวยงกันสัญญาความจําได้หมายรู้ก็รู้เท่าทิศที่ใจรักกันที่ใจสังขาร ก็รู้เท่าที่ใจละที่ใจด้วยสติเนี่ยวิญญาณรับทราบสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้ที่ใจดับตรงที่ใจแล้วรู้เท่าที่ใจอีกละที่ใจอีกนั่นเมื่อเป็นอย่านั้นก็เรียกว่าอาณาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางเดินของอิเลสตัณหาอสวาอวิชชาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแต่ได้ถูกสกัดลัดกั้นตัดสะพานออกหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออิเลสประเภทต่างๆที่ออกจากวิชาเดินไปไหนไม่ได้ ถูกตัดสะพนันเนี้ยตัดเข้าไปต่ดเข้าไปจกนกระทั่งถึงดวงจิตอา้าวนี่ยการพิสูจน์กิ ต, ตพิสูจน์อย่างนี้นะักปฏิบัติจึงจะรู้ได้ชัดว่าายนั้นมันเป็นยังไงแท่ปเป็นปอย่างไรแน่ท่าเห็นได้ชัดทางภาคปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นผิดหรือถูกประการในอาภาปฏิบัติเข้าไปจับกันพิสูจน์กันจะยอมรับกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสยัยเพราะความจริงเหมือนกันแล้วฝืนไปได้ยังไงทีนี้เมื่อเกิดปัญหาสําหรับมัน หาที่ออกที่เกาะไม่ได้แล้วมันก็รวมตัวข้างมันเพราะถูกตัดสะพานทางรูปได้แก่ร่างกายก็ตัดด้วยสติปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดด้วยสติปัญญาเข้าไปขาดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานเหลือตั้งแต่จิตล้วนๆกับเชือ้อของมันที่เป็นตัวสําคัญนั่นแหละที่นี้เราจะทราบได้ชัดว่าตั้งแต่ก่อนนะมันจะเกิดที่นั่นเกิดที่นี่นนมันเป็นเพราะอะไรมันมีสายเกหตุโยงไป ด้วยเหตุ น, นั้นเหตุ น, นั้นเหตุ น, นั้นมันถึงได้ทําให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเชื้อพาให้เกิดคืออะไรนี่มันก็เข้าถึงจิตได้จะอวิชชาจริงๆแล้วอยู่ที่จิตนะเมื่อตัดสภพาน ห, หมุนแล้วตัวกิเลสจามกษัติย์จริงๆก็คืออวิชชาก็รวมเข้าไปอยู่ที่หัวใจสติปัญญาหย่างลงไปตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเหมือนกับพิจารณาสภาวะธรรมตั้งหๆมีขนันธ์หเป็นต้นจนกรทั่งรู้เท่าทัน เืออันสําคัญที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้สลายลงไปจากจิตกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วที่นี่เกาะอะไรไหมนั่นเกาะไหมที่นี่เกาะไหมติดไหมติดรูปติดไหมติดเสียงติดไหมติดกลิ่นติดรสติดไหมอืมเครื่องสัมผัสธรรมอารมณ์ติดไหมติดรูปองตนคือกายนี่ติดไหมเวทนาทั้งภายนอกคือเวทนาทางกายติดไหมเวทนาทางใจติดไหมสัญญาความจําได้ไหมรูปสังขาร แลวิญญาณติดไหมไม่มีอะไรติดเลยนะนี่เรียกว่าพิสูจน์ถ้าเห็นความจริงของจิตที่นี่จิตนี้จะไปเกิดไหมเอาอะไรไปเกิดนั่นรู้แล้วเชื้อทั้งหลายได้ตัดเอาหมดที่จะพาให้เกิดพบน้อยพบใหญ่ตัดตัางหมดกลายเปจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วจะ อ, อะไรไปเกิดที่นี่เมื่อไม่เกิดแล้วศูนย์ไหมถ้าศูนย์ทําไมจะรู้ถ้าศูนย์ทําไมจะบริสุทธิ์ได้สิ่งของที่บริสุทธิ์ได้อยู่มันจะศูนย์ไปได้ยังไงศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์ไปเลยฮ แต่นี่ผู้ที่ที่รู้ว่าที่เด็กสิ้นไปมันรู้อยู่นี่มีอยู่นี่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเหลือแต่ความรู้ล้นล้วนที่เป็นของพระสิจันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยก็รู้อยู่ภายใน จ, ใจิตใจนี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละที่ท่านา่าหุ้อืมผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าจะไม่ไปที่ไหนจะมาลงจุดเดียวกันนี้ เมื่อยอมรับวันนี้แล้วจะคัดค้านพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายคัดค้านได้อย่างไงถ้าจะคัดค้านท่านเหล่านั้นหรือลบล้างท่านเหนั้นก็ลบล้างธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวรู้เห็นประจักษ์อยู่กับใจนิสียถ้าลบล้างอันนี้ไม่ได้ก็ลบล้างอันนั้นไม่ได้เมื่อยอมรับความจริงในหัวใจตัวเองก็ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเท่านั้นเองมันก็ไม่มีอะไรนี่การพิสูจน์เอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัติเราจะมาอ่านตั้งแต่คัมภีว์เฉยษโดยไม่สนใจมาพิสูปฏิบัติไม่พิสูจน แล้วเอาความจดความจําที่เรียนมาจา ก, กลำดับอาาัลลามาเป็นสมบัติของตนพร้อมไปทั้งเพยถ้าเราไม่นํามาปฏิบตัตินี่ก็ได้เรียนเหมือนกันจนเป็นมหาไม่ใช่คุยมันเป็นมหาอะไรมันยิ่งโตขึ้นเท่าภูเขานี่สําคัญเมื่อตัวรู้ตัวฉลาด น, นักปราดแหลมคมเนี่ยนั้นเป็นกิเลสมันหลอกเวลาปฏิบัติไปถึงได้รู้เรื่องรู้เรื่องไปโดยลำดับลำดับเอ๊ะชอบผลชอบผนหนะักพล้วมันลปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อยปล่อยซะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้ว มันก็แสนทบายเทานั้นแหละ <c oughs> นี่การเพื่อปฏิบัติจะยากลำบากเพียงไรก็เอาที่พระพุทธเจ้าเป็นเดิมพันแล้วเห็นไหมสรกสามหนนั่นอาสาวกบางท่านบางองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเห็นไหมทุกหรือไม่ทุกการต่อสู้กับพิเลศบางองค์จัจกษุแตกเห็นไหมนันตำหนักตำนามีอยู่แล้วท่านไม่เอาของหลอกม า, มาสอนโลกเอาความจริงแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนให้เรากับพิเรศสู้กันดูสิก็รู้เองนี่นะ เราไม่ต้องไปดูจะไปค่าของท่านเรื่องของท่านที่ว่าฝาเท้าแตกก็ดีฝาเท้าเราก็มีอา้อาวซิมันเป็นยังไงเดินลงไปลองดูซินั่งเอาเอาจงกกุก้นแตกกันมันรู้ดว่ามันเป็นยังไงสู้กับกิเลสนี้หนักมากหนักนอก้น อ, กอย่างไง ร, รากลาบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าถึงได้สะดกถึงสามหนยากขนาดไหนที่นี่เวลาเราจะสู้กับกิเลสของเรานี่มันยากขนาดไหนเรารู้ในเราเองเราก็ยอมเชื่อท่านเท่านั้นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะแก้ยาก มากที่งกว่าแก้กิเลสเข้าสู่สงครามอันนี้สำคัญมากทีเดียวเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยเอาให้รู้ไม่รู้ให้ตายทีแรกเราก็สั่งสมกาลังสติปัญญาของเราขึ้นโดยลำดับลาดับนั่งสมาธิภาวนากกาะเมื่อมีจิตสงบแล้วมันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเย็นสบายไม่ฟุง้งซ่านลาคาญจิตใจที่เคยเป็นเหมือ น, นลิงร้อยตัว มันก็สงบตัวลงได้อ๋อี่กิจสงบเป็นอย่างนี้เองที่นี่ผลหนึ่งความสงบที่เกิดขึ้นจากกิจนี่เป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจนนี้เราไม่เคยเห็นความสงบของกิจนี่ได้นิ่งตัวและแสดงผลขึ้นมาแบบความสุขความสบายความอัศจรรย์อย่างนี้เลยคราวนี้ได้เห็นแล้วหนอนั่นด้วยการปฏิบัตินี่ขั้นเพียงขั้นสมาธิก็อัศจรรย์แล้วออกกะทั้นก็แยกทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกนลนรกที่มันไปหมดพอเห็นเป็นอนิ เมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งแล้วมันก็รู้ทั่วถึงไปหมดว่าเป็นลักษณะเดียวกันทิ้งเดียวกว่าโล ก, กวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกก็คือโลกมันเหมือนเหมือนกันนั่นนี่จังทุกขังนัตตาเหมือนกันเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยวางมาโดยลําดับลาดับลาดับนี่เรื่องของปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตอย่างที่ว่านี่เมื่อปล่อยวางเข้ามาวางเข้ามาจนกระทั่งปล่อยวางถึงจิตให้เต็มที่จนฐานแล้วนั่นแหละจะถามหาพระนิพพานที่ไหนนิพพานท่าน ต, ตั้งชื่อไว้แล้วพูดที่รู้พระนิพพานไม่จําเป็นต้องไปหาาชื่อ่ออนิพนไมต้ง ไปตั้งชื่อพนิพาลไปหาที่ไหนฮให้ชื่อให้นามไว้สําหรับเป็นคุยหมายป้ายทางสานั้นถึงทางไปนั้นมีคุยหมายป้ายทางไปไว้อย่างนั้นนั้นอันนั้นแยกไปนั้นั้นีแยกของนู่นผู้ที่เขาเคยเดินทางสารนั้นแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องไปดูคุยหมายป้ายทางที่เขาเขียนบอกไว้นั่นเขาเขียนไว้สําหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจะได้ไปตามลูกศรไปเลยตามที่เขาเขียนป้ายไว้ผู้ที่เคยไปอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องดูป้ายนี่ หรือว่าวัดก็ขเขียนป้ายไว้ติดไว้ที่วัดว่าเช่นวัดบวรนิเวศเป็นต้นนั่นสําหรับค่าเด น, นประชาชนในแถวนั้นแล้วที่เขารู้วรัวนะเขาไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านป้ายวัดแบะอยากเข้าก็เข้าวัดอยากออกก็ออกไปเหมือนอย่างข่าเด น, นในวัดนั้นนี่อันนี้ก็เหมือนกันพูดถึงรูปปนิพันธ์แล้วถามหาเรื่องปฏิพานธ์อะไรถามมาชื่อปฏิพานธ์ที่ไหนถามจงจนถ้ามันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันอิ่มตัวหมดอืม ความหิวความโหยความสงสัยสนเทศที่เคยเป็นมามากน้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทางนั้นเพราะเราไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นสิ่งวันนี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะหาความอะไรมาสงสัยมันก็สนัดออกหมดเหลือแต่ความจริงล้วนล้วนเต็มหัวใจนั่นคือผลแห่งการปฏิบัติตก่อนจะได้เป็นก่อนจะได้รู้ได้เห็นก็ต้องเอาชีวิตฝากชีวิตแล้วเพราะต่อสู้กับกิเลสกิเลสสาคัญมากฮอ มีอะไรในในโลกนี้จะที่จะเป็นค่าศึกอันใหญ่หลวงต่อเราและต่อสู้กันได้อย่างลําบากยากเย็นเฉนใจถึงเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันจะมีอะไรนอกจากกิเลสนี้เท่า น, านั้น <c oughs> ยิ่งเป็นสิ่งที่ละยากเพราะเป็นสิ่งที่รักสงวนอ้ออิ่งเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราถ้าเราจะต่อสู้กิเลสจะแก้กิเลสจะฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสก็กลัวจะฟาดฟันเรา ก, กลัวจะต่อสู้กับเรากลัวเราจะรับความทุกข์ความลาบากในขณะเดียวกันก็เราหาได้คิดไหมว่ากิเลสมันหัวเราะถ้าเรากลัวเราลำบากก็คือกลัวกิเลสลําบากนั่นเองอกลัวเราตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองน่าที่แรกเราก็ว่าจะากให้กิเลสตายแต่มันกลับย้อนสอนดูกสอนอะไรที่ถึงกลัวกิเลสตายเลยเสีย ไม่ใช่มาให้กิเลสตายนี่แหละเรื่องหนักทั้งหลายอยู่ในนี้ทําดูก็รู้เพราะกิเลสมีอยู่กับทุกคนเหนื่ยแน่นขนาดไหนทําดูก็รู้มันจาเป็นจะต้องดูตั้งแต่แบบแผองพระพุทธเจ้าว่าท่านทำอย่างนั้นงั้นสาวองค์มาทำนั้นท่านสอนไว้แล้วเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเอามาพิสูจน์กับตัวเองเพราะกิเลสมันก็มีอยู่ในใจของเราเหมือนกันเอาให้จริงให้จริงแล้วกิเลสจะพังทลายลงไปวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตาม หลักมัติมาที่จะสมถสารมาแล้วนี้คําว่ามาัติมาก็แ <c oughs> ปลว่าท่ามกลางหรือแปลว่าเหมาะสมมัติมามีหลายประเภทเหมือนอย่างเครื่องมือปราบข้าศึกเครื่องมือจะมีแต่เพียงอันเดียวไม่ได้ข้าศึกมีหลายประเภทข้าศึกมีกําลังมากกําลังน้อยอย่างผาดผลก็มีเราจะหาเครื่องมือชนิดไหนต่อสู้กับข้าศึกประเภทนั้นๆเฉพาอะอย่างยิ่งประเภทที่ผ่าผลที่สุดเนี่ย ประเภทที่มีกําลังมากที่สุดเราจะต่อสู้ยังไงนะเพราะฉะนั้นมัชชิมาจึงต้องมีเป็นประเภทประเภทไม่ใช่ว่ามัชชิมาปฏิวัติเดินทางสายกลางไม่ยิ่ง น, นักไม่หย่อนนักเดินอย่างไรเดินไม่ยิ่ง น, นักไม่หย่อนนักนั่นนะ่ะเรากูนั้นเองก็ไม่เคยได้เดินไม่เคยได้นาเนินจะไปรู้ได้ยังไงว่ามัชชิมานั่นเดินทางสายกลางอืมสายกลางก็มีแต่หมอนเท่า น, นั้นแหละแต่ ว, ว่าอะไรเดินจกัจกรกจกับจับจับยังไม่ถึงสองสาม นาทีละอ่าจิตมันประวัติประวัติกระหมอนนะโอ้น่ะมันจะลําบากมากไปนี่เอาพอดีเถอะกว่า อ, อ น, นี้มันจะเพ่งเกินไปลงหมอนแต่มันเพ่งหรือไม่เพ่งคล อ, อกๆจนมาทั่งตะวันแย่ก้นแด่ตู่ยังไม่ตื่นน่ะมันเป็นมัชชิมาแลหรืออย่างนั้นมัชชิมามัชชิมาอย่างนั้นเขาเรียกมัชชิมาหมูขึ้นบนเฉียงแล้วไม่ยอมลงนี่ มันจะทนันเลยกับกิเลสมันเป็นมัชฌิมาเพื่อฆ่ากิเลสได้หรื อ, อยังนั่นมันเป็นมัชฌิมาของกิเลสต่างหากนี่ไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นมัชฌิมาความเหมาะสมกับการตากกิเลสกิเลสประเภทไหนมาวะเนีมันรุนแรงขนาดไหนกิเลสเราก็รุนแรงเหมือนกันนี่กิเลสผาดผลขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาสติปัญญาศรัทธาความเพียร ทุกด้านท่มลงไปให้ถึงกันถึงกันถึงกันนั่นเรียกว่ามัชชิมาคือเหมาะสมกับการปราบกินเรสทุกๆประเภทเครื่องมือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยปราบมาแล้วสาวกเคยปราบมาแล้วด้วยมัชชิมาคือเครื่องมือที่เหมาะสมกับกิเดสแต่และประเภทที่ถือว่าเป็นค้าสิบต่อธรรมต่อสู้กันอย่างนั้นสุดท้ายก็พังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นและพระพุทธเจ้าพอดีสังฆังสนังกชามิของพวกเราก็ดีถ้าดำเนินอย่างนั้นเราถือท่านเป็นพุทธังธรรมสนังกชามิ เข้าถึงใจหรื อ, อยังถ้าเข้าถึงใจก็ให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลทั้งดีทั้งชั่วทั้งโทษของกิเลส ท, ทั้งคุณค่าของธรรมให้เห็นความจริงเต็มส่วนด้วยการประพฤติปฏิบัติเรายังมาเสียดายเรื่องการเกิดการตายซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี่แหละเขาไม่ได้ภาวนาคขา่าตายเหมือนกันนี่เราภาวนาเพื่อหรือถอนกิเลสซึ่งเป็นงานใหญ่โตสําหรับชีวิตของพระไม่ใช่งานเล็กน้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาอุหนุนหมดจตุปัจจัทยทายทาน กีฬาเป็นสมาธินาสนะกีฬานะเพศศัตรที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตานี้จะท่วมพระตายซะแล้แหละมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนอนใจลืมตัวไปเสียเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เอาสู้ลงไปถึงระยะที่สู้สู้มันไม่ถอยหน้าที่ของเรามีอันเดียเท่านี้เพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบหลบประหารหลับฮานอน หลบหลีกเลี่ยมความภาพความเพียรอันไหนที่จะเป็นสาระแก่นสารที่จะทำลายกิเรนอันเป็นตัวฆ่าสืบ ห, หมดไปจากใจไม่อยากทำหลบหบหลีกหลีกนั่นท้าเรียกว่านักหลบไม่ใช่นักรบถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีตั้งแต่กิเรนตั้งแต่เป็นพวงพวงเป็นตู้ ต, ตู้เป็นหีบหีบทับอยู่ในบนหัวใจนั่นเชื่อพุทธเจ้าคำประสงดังถึงใจแล้วย่อมเห็นทั้งโทษดังถึงใจเห็นทั้งคุณอย่างถึงใจ แล้วเวลาประกอบความเพียรก็เอากันฟาดกันให้เต็มเหนียวให้ได้เห็นว่ากิเลสตายหรือเราตายเอาตรงนี้เราไม่ต้องเอาตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็ดีสาวาก็ดีท่านสู้กับกิเลสกิเลสตายท่านได้ชัยชนะเป็นผู้บริสุทธ์เลิศโลกเราได้ชัยชนะหรือได้ความแพ้เวลานี้เอาี่เอามาพิจารณามาเทียบเทียงที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องสอดต้องแทรกต้องเแยกต้องแยกย้อนหน้าย้อนหลังไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสอุบายวิธีการต่างๆ กิเลสมันแหลมคมขนาดไหนถ้าไม่ผิดสติปัญญาขึ้นให้ทันกันไม่ทันถูกกิเลสเอาหมอบราบไม่มีเหลือเลี่ยมีเราก็เคยหมอบราบของกิเลสมานานแล้วไม่เหลือพ้นจากการหมอบราบไปยังไงบ้างได้รับความสุขความสบายไหม่เอาให้จิตใจมันได้เด่นดวงสิไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้จิตนี่ได้เอ็นได้เอียงตั้งแต่วันกิเลสได้ม้วนเสือลงเสือลงไปแล้ว มีแต่อิสระเสรีเตรียมตัวเท่านั้นให้ได้เห็นอย่างนั้นนีลูกศีษยาทศกัณธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะเป็นโมฆะไม่ได้เป็นหมันจึงเรียกว่ามัชชิมาเหมาะสมกับการปราบรกิเหลือทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาให้นํามาใช้เหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับที่เหลือประเภทต่างๆอย่างไรก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสาวกเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ดีเมื่อได้นําเครื่องมือของท่านที่มอบให้แล้วมาปฏิบัติตัวตเอง ผมชอบอยากให้มีความปักไปต่อหมู่ต่อเพื่อนด้วยความรักความสงสารเมตตาทุกด้านทุกทางอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องธรรมขึ้นที่ใจเพราะมีอยู่นี้ทแท้ๆจึงได้ทุ่มสติการในการสั่งสอนลุงยังเต็มเมตเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำไม่เคยปิดบัง ล, ลี้ลับเป็นยังไงไงหัวใจของเอของเลือกมาให้ดูหมดด้วยวิธีการทั้งเหตุคือการพูดปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างไร และผลได้รู้ขึ้นมาอย่างไรไงบ้างนี่ได้เปิดออกมาให้หมดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่มีปิดบังนี้ลับถ้าจะเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ก็ควรจะดาเนินไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นถ้าว่าไม่เชื่อทอําเหล่านี้ว่าเป็นความจริงแล้วก็แสดงว่ากิเลสนี่มันครอบเอาเหลือประมาณจะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ได้ยินสังอัดสังธรรมไม่เข้าถึงใจงเลยมีแต่กิเลสเต็มอยู่หัวใจทําเข้าไม่ได้เลย มันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดให้ฟังแล้วทุกทุกด้านทุกาทางท้งเหตุก็พูดให้ฟังหนักเบาขนาดไหนแล้วได้เคยพูดแล้วทั้งงานของโลกเราเคยดำเนินมาไม่เคยมีงานใดที่เราจะสละชีวิตเพื่อมันหนักเราก็เคยทำเบาก็เคยทำแต่เวลา มาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งออกปฏิบัติจิทธภาวนานี่ได้ทุ่มลงไปชีวิตจิตใจถึงข้าวที่มอบมอบเลยอาวมอบให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายไม่ตายถึงเวลาถึงจะออกจากที่เช่นเดินจนครบมั น, นั่งสมาธิภาวนามันจะเป็นอะไรเออถึงไหนถึงกันเรื่องทุกข์ไม่เลยตายถึงแค่นั้นแล้วสติปัญญาเท่านั้นที่จะสอดแทรกให้รู้เรื่องความจริงข้างหลายทุกข์ท่านมาเป็นของจริงถ้าไม่รู้ทุ ก, กข์เดี๋ยนก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นความจริง อาจนถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปได้สุดท้ายกิเลสมันก็พังสลายเหมือนกันเนี่ยได้ทํามาแล้วนี่เราวันเอาตายตายเราสละตายลงไปบทจริงๆแล้วกิเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรานั่นจึงคือต่อสู้กิเลสจริงๆเนี่ยกลัวตั้งแต่กิเลสจะถลอกปอกเปิืกกลัวจะกิเลสจะไม่สนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลินอเหยียบย่ําทําลายจิตใจถ่ายมูดถายขูดลดลงที่หัวใจอยู่ตลอดเวลา แล้วยังจะเป็นช่วงเป็นฐานให้มันถ่ายลบอยู่ตลอดเวลาหรอือมันดีแล้วเหร อ, อให้จริงให้จังเนักปฏิบัติเวลาอยู่อยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าประมาทดูแต่หัวใจเจ้าขอ ง, งขอ่ะอย่าไปดูอะไรมากที่หัวใจกิเลสมันบอกอยู่ที่นั่นมันแสดงอยู่ที่นั่นส น, สนามลบกิเลกก็อยู่ที่นั่น ทำเลที่มันร้องเพลงก็อยู่ที่นั่นปราพิเรียดก็อยู่ที่นั่นเวทีเดียวกันเนี่ยคือใจเอาให้จริงให้จังทำไมทำมีแต่คำพีทำไมความทาจริงมันไม่เข้าถึงใจเราก็เหมือนศาสนานี่เป็นโมฆะเพราะเห็นอะไรเพราะผู้พูดพูดนถือทำจริงๆอยู่ที่ไหนถ้าไม่จริงอยู่ที่ใจ ถึงอยู่ที่นี่สัมผัสสัมพันธ์กันที่นี้รู้มากรู้น้อยรู้ที่นี้ไม่รู้ที่อื่นจะพ้นจากทุกข์ก็ดีนี่ท่านอย่างท่านว่าบรรลุธรรมถึงท่านสูงสุดรู้พันรู้กันที่นี่ไม่มีที่อื่นเป็นที่บรรลุเพราะปราบกิเลสตัวฆ่าสึกที่ให้หลุดพ้นจากทุกข์มันกิเลสมันก็อยู่ที่นี่ปราบกันที่นี่กิเลสหมดไปแล้วไม่ถามพันิุพานธุ์ถามมาเสมอืเสียเวลาเงียาจริงจังเงี้ย อืมเอาเพียงอนนี <Britt an play> <sk wel variables> <sm Trustee> ้ก่อนธรรมญาติบาญญให้ผมทำ